ที่สารุทธร์รับใดถ้าเรายังมีการปฏิเสธความมีอยู่ทั้งหมดภายในใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่ใจหรือสิ่งที่จับความรู้สึกได้หรือรับรู้ได้ที่ใจทั้งหมด ถ้ายังมีการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นใจไม่ยอมรับความรู้สึกใดๆอาการใดๆปฏิเรียาใดๆหรือสิ่งที่มีขึ้นหรือปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี ท, ที่ชั่วสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนกกุศลไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็ยังมีการยึดถืออยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะถึงทําได้ไม่อาจจะเป็นธรรได้หรือถ้าใจยังมีการแบ่งแยกว่าอาการอย่างนี้ดีกว่าอาการอย่างนี้ความคิดในเรื่องนี้ดีกว่าความคิดในเรื่องนั้นอารมณ์อย่างนี้ดีกว่าอารมณ์อย่างนั้นหรือเป็นผู้คิดเปิดเปลินเจริญใจไปเสียเอง ไม่ได้เป็นผู้ดูรู้เห็นอยู่เฉยๆคือมีการแบ่งแยกถูกผิดดีชั่วบุญบากปกุศลอกุศลถูกใจไม่ถูกใจอยู่ตลอดเวลาหรือยังมีการเปรียบเทียบอยู่ในใจตนอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไม่สิน้นการยึดติดยึ ด, ยดถือไม่สิ้นความพอใจไม่พอใจ ขอราะถ้าดีที่เป็นกุศลก็จะติดก็จะพึงพอใจติดใจยินดีอยากให้ตั้งอยู่อยากให้เป็นอย่างนั้นเช่นความรู้สึกที่โปรง่งโล่งเบาสบายความคิดที่ดีๆอารมณ์ที่ดีๆความรู้สึกเบิกบานใจความรู้สึกที่ว่างเปล่าเบาสบายที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล เราชอบึืงพอใจติดใจยินดีความรู้สึกอึดอัดทึบๆตืไม่โปรงไม่โล่งไม่เบาสบายหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เราตำหนิติดเตียนว่าเป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีก็พยายามไปดินน้นรนปับสายกำจัดสิ่งเหล่านั้นให้หายไปจากใจตลอดเวลาเข้าตำานองว่าดีลักชั่วชัง หรือเก็บทุกข์รับสุขอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่อาจปวดทุกข์ได้พระอรหันทั้งหลายทำสิ่นการเปรียบเทียบในใจตนแล้วไม่มีความรู้สึกว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรเร็วกว่าอะไรเพียงแต่รับรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นอยู่เฉ่เฉหรือสึกแต่ว่ารู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจ ใจไม่เข้าไปหมายมั่นยึดถือว่าดีรัดชั่วชังุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่ดีก็รู้อยู่ชั่วก็รู้อยู่บุญก็รู้อยู่บาปก็รู้อยู่แต่ไม่เข้าไปหมายยึดถือทั้งดีและชั่วกุศลกกุศลนะทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจสักแต่รับรู้อยู่เปล่า พอท่านสิ้นการเปรียบเทียบสิ่งทั้งหลายในใจตนเสร็จแล้วเมื่อสิ้นการเปรียบเทียบแล้วก็ยอมรับแต่ตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันใจของท่านก็เลยสับแต่ว่ารับรู้อยู่เปล่าๆได้ใจก็จะเป็นธรรมตลอดเวลาต้องยอมรับความมีอยู่ สิ่งที่เกิดอยู่ในใจตนตามความเป็นจริงนั้นทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาการที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจยอมรับความมีอยู่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงของเขาอเหล่านั้นที่เกิดจริงที่มีอยู่จริงที่เป็นอยู่จริงในขณะปัจจุบันในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกอาการทุกปฏิกริยา ทุกสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันนั้นๆทุกขณะปัจจุบันว่าเขาเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งหรือเป็นโลกเขาถูกลับรู้ได้ถูกรู้สึกได้ด้วยใจโลกทั้งหลายต้องปล่อยวางไปหรือสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงใจพลอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าไปกังวลว่าร่างกาย รับรู้สักแต่ว่ารับรู้และยอมรับตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงที่มีอยู่จริงที่ปรากฏจริงเฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าอาการเหล่านั้นปฏิกิริยาเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะโปร่งโล่งเบาสบายหรือไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายก็สักแต่ว่ารับรู้ตามความเป็นจริง ที่มีอยู่จริงที่เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏจริงๆทุกขณะปัจจุบันนั้นๆในดินลนผักใสัยรือยากกาจัดให้หายไปถ้าถูกใจถาวางเปล่าเบาสบายซึ่งเป็นอาการที่ถูกใจก็ไม่ได้อยากให้ตั้งอยู่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ได้อยากให้หายไป ยอมรับตามความเป็นจริงทุกสิ่งที่ปรากฏทุกหน้าที่ปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นๆใจก็จะถึงซึ่งความจริงถึงซึ่งธรรมถึงถึงยถาพุทธญาณทัสสนะถึ ง, ถถงซึ่งวิมุตติลดพ้นได้ลดพ้นจากทุกเมือกไม่เข้าไปยึดถือ ก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สิ้นการยึดถือก็จะยังเป็นทุกข์อยู่ตาบท่ายัางมีการยึดถืออยู่ทุกขะปัจจุบันนั้นๆถ้ากระจายผิดไอคิดว่าถ้าความรู้สึกที่รู้สึกไม่ชอบใจที่รู้สึกเป็นทุกข์นั้นดับไปหมดสิน้นดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือแล้วเราก็จะพ้นจากทุกข์มีความสุขอย่างเดียวตลอดกาล ถ้ากระาใจผิดแบบนี้ก็จะไม่เลิกดิลน์ผักสายไม่เลิกยึดถือก็จะดีรักชั่วชังเกียดทุกข์รักสุขเป็นการยึดถืออยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นการยึดติดยึดถือไม่สิ้นจับทุกข์ไม่พ้นจับทุกข์ได้พอตับใดถ้ายึดถือก็ยังเป็นทุกข์สิ้นการยึดถือนั่นแหละสิ้นทุกข์ยอมรับเขา ยอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ขึ้นในใจตนในแต่ละขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันทุกอาการทุกความรู้สึกไปไม่ก็ไปอยากให้เขาเป็นไปอย่างไรหรือไม่อยากให้เป็นไปอย่างไรยอมรับตามความเป็นจริงยอมรับก็ได้ก็ไม่ทุกถ้ายอมรับกันไม่ได้ก็เป็นทุกอย่างนั้นตราบที่ยังยอมรับกันไม่ได้เปรียบเหมือนกับ สามีภรรยาเมื่อมาแต่งงานได้กันอยู่ด้วยกันแล้วยอมรับนิสัยกันไม่ได้แต่มีความจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันเมื่อยอมรับนิสัยกันไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมกันไม่ได้แต่ทั้งที่ก่อนแต่งก็เคยมีนิสัยอย่างนั้นมาก่อนแต่พอแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วยอมรับนิสัยกันไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์ อยู่ตลอดเวลากับนิสัยของกูคองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดไปจนกว่าจะยอมรับกันได้ไม่ยอมรับกันได้ก็อยู่อย่างเพื่อนกันอยู่อย่างไม่ทุกข์ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่ขัดเคืองใจกันอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกแต่ถ้ายอมรับกันไม่ได้ ใจก็จะยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ายิ่งใจผิดคิดจะพยายามไปแก้ไขอุปนิสัยของฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งจะทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะคิดว่าเพราะแต่ละคนคิดว่าจะแก้ไขนิสัยฝ่ายตรงกันข้ามได้โดยไม่คิดจะแก้ไขใจของตัวเองที่เข้าไปยุ่งกับเขาที่เขาไปอยากแก้ไข อุปนิสัยของเขาให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเราไม่อาจไปแก้ไขอุปนิสัยเขาได้ถ้าตัวเขาไม่คิดจะแก้ไขใจของตนเองเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่แก้ไขใจของตัวเองไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดไม่เข้าไปอยากให้เข้าเป็นไปอย่างไรให้ใจยอมรับตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆได้ ใจก็จะไม่ทุกข์อาการทางกายอาการทางใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นเป็นสังขารปรุงแต่งในใจตนทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นมามีขึ้นมาปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นถ้าใจยอมรับไม่ได้คิดจะพยายามแก้ไขเขาให้เขาเป็นไปอย่า ง, างใดอย่างที่ตัวเองต้องการ ใจก็จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่อาจพลัดจับทุกข์ได้เมื่อใดที่ใจยอมรับตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นในอาการเหล่านั้นได้ใจก็จะพ้นจับทุกข์ทันทีคนทุกข์จากอาการเหล่านั้นคงมีแต่อาการเหล่านั้นแต่ใจไม่ทุกข์แล้วเมื่อใจไม่ทุกข์แล้วอาการเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องดับไปเขาไม่มีผู้ยึดถือ เขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจตั้งอยู่ได้ต้องดับไปเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ายังมีผู้ยึดถืออยู่ผู้ยึดถือนั่นแน่ก็จะมีสัญญาปรงแต่งที่ยึดไว้ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นไม่ดับไปเลยแต่แท้จริงหลงสัญญาอาการนั้นหรือหลงสัญญาทุกเวทนานั้นที่จําขึ้นมาทีทที ท, ทจนมีความรู้สึกหลงสัญญานั้นว่าเป็นใจ เมื่อเข้าใจผิดว่าสัญญานั้นเป็นใจก็จะแก้ไขใจของตนเองหงุดหงิดกับใจของตนเองเพอเข้าใจเสียจแล้วว่าสัญญาเวทนาซึ่งเป็นทุกขเวทนาที่จําขึ้นมานั้นเป็นใจแต่แท้จริงสัญญาเวทนาแม้แต่จําขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกใจหรือใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ สัญญาเวทนาที่จำขึ้นมาต่ละครั้งก็เปรียบเหมือนฟ้าแลบขึ้นมาในอากาศที่ไม่มีผู้ลองรับเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีผู้ลองรับแม้แต่จําสัญญาเวทนานั้นไม่มีผู้เข้าไปยึดถือไม่มีเข้าไปไม่มีผู้เข้าไปไม่พอใจที่ลนผักใสสัญญาเวทนานั้นก็สักแต่เป็นเวทนาเมื่อไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้เข้าไปเสเวยไปลองรับ เขาก็ต้องดับไปเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นนิจังตุกขังอนัสตาไม่อาจคงทนตั้งอยู่ได้โดยสภาพนั้นตลอดไปไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเราไม่อาจเข้าไปบังคับให้เขาเป็นไปดังใจอยากของเราได้เพียงอาการใดอาการเดียวโดวยให้เหลือแต่อาการที่ชอบใจเหลือแต่ความรู้สึกที่สุขใจโดยจะไม่ให้ มีอาการที่ไม่ชอบใจปฏิกิริยาที่ไม่ชอบใจพฤติกรรมที่ไม่ชอบใจได้เลยสุขและทุกข์เป็นของคู่กันก็ เ, เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่อาจคงทนอยู่สภาพเดียวได้อย่างนั้นได้ตลอดไปเราต้องยอมเขาว่าเขาเป็นอนัตตาไม่อาจเข้าไปบังคับ เขาให้เป็นไปได้ยังใดดังใจอยากเขาเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเราและมีมาก่อนเราก่อนที่เราเกิดมาในโลกนี้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็มีความรู้สึกทางใจมีอาการทางกายอาการทางใจที่รู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอยู่ก่อนแล้ว เราเกิดมาที่หลังอาการเหล่านี้เสียอีกอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเบกขาเวทนาหรืออาการทางกายอาการทางใจที่ไม่น่าชอบใจไม่พอใจอย่างไรก็ตาม mm. เขามีมาก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกนี้เสียอีกเขาเป็นธรรมชาติที่มีมาก่อนเราเป็นธรรมชาติ ที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปบังคับให้เขามีแต่อาการที่ถูกใจเพียงอย่างเดียวได้สัพพะัตทั้งหลายเมื่อเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องได้รับผล ส่างๆที่เป็นอาการทางกายอาการทางใจอาจได้รับทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดเวลาไม่อาจจะได้รับแต่สุขเวทนาเพียงหน้าเดียวหรือไม่อาจจะทําให้ใจปตัตตจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีแต่ความว่างเปล่าเพียงอย่างเดียวโดยมีใจผ่องใสมีใจว่างเปล่าตลอดเวลาอย่างเดียวนั้นย่อมไม่อาจเป็นไปได้ย่อมไม่อาจทําได้ พระธรรมชาติก็เป็นมาอย่างนั้นตลอดเวลาอดีตการนานานพ้นในปัจจุบันและในอนาคตก็ยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปความเป็นจริงทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดดาไปแปรเปลี่ยนแปลงไปต้องทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้รับสุขบ้างทุกบ้างรับอาการทางกายรับอาการทางใจ ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นอยู่ด้วยกันอย่างนี้เหมือนกันหมดเขาจึงเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่มีมาก่อนเราเราตายไปแล้วเขาก็คงอยู่คู่โลกอย่างนี้ตลอดไปอยู่คู่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดไปก็ต้องได้รับทุกบ้างสุขบ้า ง, างถ้าใจไม่ยอมรับ อาการต่างๆปฏิกิริยาทางกายและทางใจต่างๆที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วใจก็จะไม่สิ้นจากทุกข์เราจะทำอย่างไรกับเขาได้ในเมื่อกำจัดเขาให้สิ้นไปไม่ได้กำจัดอาการต่างๆพฤติกรรมต่างๆอาการทางกายอาการทางใจต่างๆที่ไม่ถูกใจไม่พอใจให้หายไปไม่ได้เราก็ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับเขา ตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันนั้นทุกขณะปัจจุบันทุกอาการทุกปฏิกริยาทุกอาการทางกายทุกอาการทางใจเมื่อยอมรับได้แม้แต่จะมีอาการทางกายอาการทางใจหรือปฏิรยาทางกายทางใจที่ไม่ถูกใจที่ไม่น่าพอใจแต่เมื่อใจยอมรับกันได้ใจก็สิ้นจากทุก แต่ไม่ได้สิ้นอาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นก็ยังมีอยู่คู่กับสัตว์ทั้งหลายตลอดไปแต่ใจเท่านั้นเมื่อไม่เข้าไปยึดติดยึดถือยอมรับเขาได้ยอมรับกันได้ไม่เข้าไปดิ้นหลนผักใส่ไม่อยากให้เขามีแต่สุขอย่างเดียวมีแต่อาการหรือปฏิกิริยาที่ชอบใจอย่างเดียวโดยยอมรับทั้งทุกข์และทุกข์ยอมรับตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติ จริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขามีมาเกอดเราและเราตายไปแล้วเขาเขายังเป็นอย่างนั้นตลอดไปพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายถ้าไม่ได้สิ้นจากอาการทางกายอาการทางใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์ท่านก็มีทุกขเวทนามีอาการที่ไม่น่าชอบจใจแต่ใจของท่านไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างใดต่ออาการเหล่านั้น ใจของท่านก็ไม่ทุกข์คงมีแต่อาการมีแต่ปฏิกิริยามีแต่ทุกขเวทนาทางกายหรือมีแต่ทุกขเวทนาที่อยู่นอกใจแต่ไม่มีใจเข้าไปเสวยใจก็ว่างเปล่าจับทุกขจ้องมวลเหลือแต่ทุกขเวทนาทางกายคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านยังต้องรับอยู่ จนถึงวันดับการบริวิพานจะไม่มีทุกขัทางใจอีกต่อไป